ก็เป็นหรือการตกข้างหยับๆที่เรานึก ในอารมณ์ใดก็ซึ่งความเป็นกุศลนิบาตความเป็นอกุศลนิบาตนั้นเป็นลําดับต่อไปจนกระทั่งถึงสันติลนะสืบต่อ แล้วก็จิตเองก็เกิดกรรมด้วยกรรมทั้งในส่วนเอ่อ อวตระณนั้นเป็นกิริยาซึ่งเราจะพูดกล่าวหน้าคือตัวจิต มันก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแท้หรอกมันเลยทําให้ตัดสินอารมณ์ที่ แม้ก็ยืนความเป็นก็ยืนความเป็นอารมณ์ที่เกิดนี่หมายความว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากบุญ และเมื่อเก็บเอาไปคิดในอารมณ์นั้นต่อๆไปอีกก็หมายความว่าอารมณ์ที่ ถ้าเราตอบโดยความรู้สึกอย่างปั่นป่วน ก็นี่ในหน้าที่ 2 เนี่ยครับแยกให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์ดีเกิด อ่ะดูในเอกสารนะครับอนิจจารมเมื่อมากระทบประสาทหน้าที่ตาหู วิญญาณนั้นๆมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานะชิวหะกายะกระทั่ง เราพูดอย่างรวมๆก่อนมากระทบตาหูวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมปติฉันนะสันเพนะก็เกิดขึ้นรับ ก็มีเหตุผลนะเราก็พูดถึงนิทันลมซะก่อนว่าอ่าอนิฏฐาลมที่เกิดจากกรรม ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นก่อนเด้อทําให้เกิดจิตขึ้นก่อนหมาย กรรมทําให้เกิดอารมณ์ก่อนหรือทําให้เกิดจักขุวิญญาณก่อนทํา แต่กรรมนั้นชักนําอนิจจาลมมาไอ้อนิจจาลมเนี่ยเป็นเครื่องมือเมื่อมากระทบตาแล้วจักขุวิญญาณไปอกุศลวิบากก็เกิดใน กรรมทําให้เกิดผลกรรมในส่วนนอกคืออารมณ์แล้ว <c oughs> เมื่อจักได้ทุทวันก็คือ เช่นบางคนอย่างคนที่มีข้อทางเห็นเนี่ยเราก็จะพบว่าบางเช่นอ่าคนบางคนนั้นเห็นอารมณ์ คนบางคนนั้นเห็นเรื่องที่ไม่อารมณ์ที่ไม่ดีในส่วนที่ คือคนหนึ่งเนี่ยเป็นหมอที่จบจากต่างเพศแล้วก็ที่บ้านก็มี ผู้รับใช้ของท่านน่ะใช้อารมณ์กับหมอคือดุดุหมอได้แต่หมอก็เงียบเฉยไม่กล้าเราก็ไม่ได้ถาม แต่เฉพาะบุคคลด้วยก็คือว่าอนิจฐานไม่ดี เย็นรอบเวลาว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเข้าไปแล้วก็เป็นคน แล้วก็พูดไว้ไอ้กว้างๆหมายถึงกว้างๆครุมๆแต่ว่าเป็น แต่เวลาเราพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมอย่าง ธรรมดาตะเลิกอิถารอิตถลมเฉยๆแล้วก็อ่านอติเนี่ยธรรมดาหรือไม่ธรรมดาเนี่ยๆนั้นเป็นๆเป็นเกณฑ์คนอื่น แตกต่างกันอ่าอันนี้ก็ขอให้นึกนึกว่าเกณฑ์แห่งอารมณ์ความน่าปราารถนาน่าชอบใจในแต่ละคนเนี่ยจะมีอย่างธรรมดาแล้วก็อย่างพิเศษ พิเศษของคนบางคนและอย่างธรรมดาของคนบางนั้นเป็นพิเศษเสมอสําหรับคนอ่าอย่างเราไปบาง สำหรับเราแต่ว่าคนที่นั่นแล้วก็ก็กินกันได้กินกันดีมันเลิศอร่อยมากเค้ามีความนะลูบพิเศษเสียงพิเศษกลิ่นพิเศษรสชาติป้าพิเศษบาง <ๆ. S 1> เอามนุษย์ทั้งโลกไปเทียบกับเทวดาที่ปกติของเทวดาถือว่าพิเศษสําหรับ ทีนี้เรามามาพิจารณาว่าพิเศษกับรวมๆแต่ก็จะให้หลักที่พอนึกขยายได้ กับธรรมเราก็ลึกดูก็ได้ว่าไอ้เราเนี่ยมีปกติเสวยวิบากพิเศษอย่างไร เราก็จะพบว่าบางครั้งเนี่ยเราทําไปตามพื้นฐานของกุศลนิบาตของเราว่าเราเนี่ยมีปกติกินอย่างนี้เราก็ทํากุศลอย่างนี้ นะแต่ว่าบางคนเนี่ยครับนะคือผิดปกติๆของคนอื่น เอ่ออย่างเวลาเราเราเราเราไปกันไปหมู่เป็นคณะ แล้วเราก็มองดูแล้วแม้ของอย่างนี้อย่างเราไม่ใส่นะ เสมอถึงจะไม่ใช่ของสูงแต่เราก็รู้สึกว่า ก็ไม่ได้พูดเนี่ยถ้าจะคิดทําน่าจะ เราเลื่อนชั้นขึ้นไปสูงมึงก็จะมีปกติมีพิเศษขึ้นไปขึ้นไปเราก็เรียกว่าได้ตั้งหลักว่าถ้าจะทําเป็นปกติ แต่พูดหวังคนในทางละกิเลสนั่นก็คือการอ่าทำอะไรตามมีตามได้ใกล้ใกล้มือไอ้ตามมีตามได้ นะว่าให้ทานให้ทานทานใดที่เป็นรูปมุ่งให้ทานที่เป็นรูป ลูกก็ตามหลังมาก็จะทําให้เรานั้นเมื่อได้อาหารก็ได้บุปมาด้วยได้กลิ่น เลี้ยงอาหารด้วยแล้วก็อาจจะมีเพลงคับให้ การพูดด้วยด้วยการไปเลาะด้วยความเคารพนอบน้อมแก่พระ อ่าอันนี้ก็อนิฐานแห่งปด 1 มียังไม่ได้เล่ารับมี หรือไปขัดพระพุทธรูปไปซ่อมโบสถ์วิหารให้ดีให้มีความสะอาดสะดือเป็นการให้ ก็อธิบายจํานองนี้ที่นี่ศีลนี่ก็เหมือนกันคนที่ลดถึงกายถ้าหากว่าผู้มีศีล ให้ทานทานด้วยศีลเนี่ยผู้มีศีลให้ทานทานนั้นก็จะเป็นของที่มี แต่อาจจะไม่แน่นะแล้วก็คนที่มีศีลนั้นย่อมมีความ <c oughs> ที่เกิดจากสุวิญญาณในรูป B ที่ตาของเรา การได้สัมปทานาหรือได้กับยกต้องอื่นใดก็ตามก็เป็นอิจฉลภอีกแล้วการอนุโมทนาในบุญ แล้วก็อาการปิยาที่ตัวกล่าว ว่าละหมายถึงกุศลอะไรเป็นกุศลที่เนื่องโดยรูปหนึ่งเนื่องโดยเสียงแล้วก็ในขณะที่ให้ธรรมดาครับ ทำเป็นพิเศษก็ให้ผลเป็นสติอารมณ์นะธรรมดาแล้ว มันจะเถอะเช่นอารมณ์ไม่ดีใดที่เป็นเกณฑ์ปกติเป็นธรรมดาเป็นปกติ อนิสสาลมนั้นก็เป็นอนิสสาลมผิดเกินธรรมดาเป็น มีการเสวยบาปลักษณะอย่างนี้ทีนี้ในทางว่าการ <c oughs> ไม่มีอกุศลวิบากที่เป็นโภมนัสเลยที่เป็นโภมนัสท่านจึงไม่ใส่ สันติลนะแล้วมันจะแสดงภาคของความเป็นอิทถานลมธรรมดาหรืออติอิทถานลมจึงไม่ต้องอย 2 อย่างไว้ใน เข้าไว้ด้วยกันไว้ด้วยกันจิตไม่ได้แบ่ง ก็รับอารมณ์ที่ดีธรรมดานั้นไปถึงสันติลนะแล้วก็รับอารมณ์ที่ดี ถ้าสัทธารมธรรมดามากระทบหูโสตะวิญญาณเกิดอัมมติชนะก็เกิดอัมมติ 1 นี่สืบต่อต่อรองกันนี้ รับรู้รสที่ดีธรรมดาก็สอดคล้องทํานองเดียวกันเป็นธรรมดารับรู้กับ ที่รับหยิบแต่ว่าจริงๆน่ะอ่าเมื่อกล่าวโดยสภาพอื่น ก็ไม่ได้เกิน 7 ดวงจักสู่วิญญาณนั้นมีเจตสิกประกอบ 7 ดวงเสมอไปในทุกอารมณ์แล้วก็เสมอไปในทุกกรรมที่ ก็ให้ผลในศาพของจากตรูวิญญาณโดยดวงจิตเป็นอย่างนั้นและออกสละกรรมที่ infragj.j.w pert.ralboaw Kalffosarov Jug Thorinungor bedroom. Может и物тной системой how we could do a error к детали мы выш Kellogg и Alice. Жертв to 하는 obligations available. IFล i Gel为什么 they would everything? 지금 мы вышим компьютер в Sabbath dead personiu.もし immunhy vil Making error here. ความต่างอยู่ที่ไหนต่างความต่างอยู่ที่ไหนก็ตอบว่าความต่างที่ไหนมีอย่างที่ได้ตั้งเมื่อต่อต่อไปที่แล้ว ของการตกผลของกรรมต่อๆไปนั่นเป็นความแตกต่างของกรรมว่า ผู้ใดที่ทํากุศลกรรมไว้อย่างดีเวลากุศลกรรมนั้นให้ผลจะให้ กรรมสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลที่เป็นผลสมบูรณ์ก็คือ แต่ผลบุญแต่ละเล็ดทั่วไปแล้วก็ทั้งในเรื่องที่สําคัญสําคัญก็ดูแลด้วยไม่หลอดพ้นแต่จะ ให้ผลแต่ในเรื่องเบ็ดตะหลิตเรื่องเบ็ดตะหลิเรื่องหลักๆนั้นมันไม่มีทางที่จะไปคุ้มครองเราน้อย แต่พอๆเข้าแล้วก็ไม่เป็นอันได้รับความสําเร็จสักอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าคนป่วยไอ้โรคเนี่ยไม่หายสักทีนี่หมายความว่ากุศล เออคือส่วนนั้นมันก็เพียงแต่ว่าทําให้ได้ๆอย่างนี้ไม่ได้ตัด มันอยู่ก็ตายได้หรอกนะนี่เป็นเอ่อเรื่องของกําลังต่ํา เรื่องอารมณ์ดีหรือไม่ดีอย่างยิ่งอารมณ์ดีหรือไม่ดีอย่างยิ่งที่มากระทบตาๆเหล่านี้ที่ แล้วก็ถามว่ามันจําเป็นที่จะต้องไปรู้อย่างนี้หรือไม่และการที่ไปรู้อย่างนี้มีประโยชน์หรือไม่อ่ะเมื่อถามอย่างนี้น่ะผมก็เชื่อว่าท่านที่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนก็จะตอบได้ว่ามันจําเป็นจะต้อง อันไหนเนี่ยก็ต้องแบ่งชั้นที่ต้องการจะพูดถึงในที่นี้ไว้ ชาติมีฉันน่ะได้อีกอย่างนะอันนี้อันหนึ่งจําเป็นเราก็จะได้กติได้ชีวิตการดําเนินชีวิตการทํากุศลอะไรต่างๆหลายอย่างอยู่ใน 2 ก็คือความจําเป็นในฐานะที่ และผู้ที่เจริญในธรรมแล้วก็ภาวนาแล้วไม่ใช่คําๆ คนเหล่านั้นจะมีความเชื่อเรื่องกรรมเหมือนเหมือนกันเชื่อเรื่องตายแล้วเหมือนกันแล้วก็มีความๆแต่ในหลักละเอียดแล้วอ่าพระพุทธโฆษาจารย์ ในหรือไม่อย่างไรนั้นภาวนาแท้ไหนหรือไม่อย่างไรนั้นถ้าบุคคลใดเป็นผู้ 12 ถึงจะ แต่ว่าโดยรูปเข้ามาแล้วยืนอยู่ในหลักอธิบายเป็นเนื้อเดียวกันโดยรูปเข้ามาแล้วยืนอยู่ในหลักแตได 6 ได้และในอภิญญยธรรมได 26 ข้อมี เรื่องอายตนะและกระบวนการของอายตนะไปจน แล้วทำวิปัสสนาหรือผู้ทำวิปัสสนาใดผู้ที่เข้าใจวิปัสสนาภูมิย่อมมีอุปการะมากแก่การหยั่งรู้ เข้าใจเรื่องกรรมในบทตรัสตกจักเนี่ยดีมากเพราะ 24 แต่เราจะมองไม่ลึกไม่คึงแต ไอ้อย่างที่เราพอจะได้นึกเข็นกันเป็นๆก็ปวดขึ้นมาที่ขาข้างนี้อย่างรุนแรงไอ้อยู่ก็ปวดไปจังถึงนึก แต่ว่าในขณะที่คนปฏิบัติธรรมวันนี้มันจะมีคําตอบแวบออกมานะฮะให้เห็นเป็นในขั้นต้นก็อาจจะรอเรา บางคนก็อาจจะไปทําอย่างอื่นเนี่ยบางทีหรือเจริญกรรมฐานอยู่ด้วยวิธีการนั่งหรือไม่นั่งเช่นว่าเดินไปเหยียบ <c oughs> เอ่อเป็นการรู้โดยที่ไม่ใช่ละลึกชาติแต่เหตุผลมันจะเชื่อมประติดวัด ก็ดีคนนั่งหาวาดว่อนก็ดีหรือ มันก็มาทําให้เราได้ยินได้ไอ้เสียงเศษยางคืน 5 เนี่ยที่เราเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจจะไปสอดสาง แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยแม้ไม่มาณที่การมันก็มาตอกเออทํา เนผมก็ไม่เคยไปได้มีความประสบการณ์อย่างนั้นก็ได้ยิน มันเป็นมันเป็นภาวะแห่งความชุนนะมัน แต่ในความรู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวนั้นก็คือว่าเราวัดค่า แต่ว่ายังภูมิไม่ไกลมากว่ายังภูมิไม่ไกลมากยังมีกลิ่นเนี่ยนามรูปมันสอ อันนั้นท่านนี้เด็กนกได้ดีฮะไม่ใช่เด็กนกจะพกแค่ไหนแค่ไหนก็แล้วแต่คนบุญว่าได้ดีมันจะมาทั้งนามและรูปก็โผล่มาแล้วก็ไอ้เหตุปัจจัยคือบอกว่าทําไมถึงเป็น มันก็ลงเท้าดังๆๆแต่ว่าไอ้ตอนนั้นน่ะมันมันไม่ใช่ แล้วเวลาบางทีเดินเสียงขึ้นไปถึงหลังคาไปความถึงจะเดินเท้าแป่วเท้าวายมันก็ขึ้นครับขึ้นไปบนหลังคาจากหลังคา แรงมากแล้วมันก็จะท้อนจิตแค่ไหนนะแล้วมันๆกับที่เราเราเห็นเขาโดนทิ้งทาวๆเรามันก็สะท้อนจิตไอ้นี่มันหยับๆนะแต่ถ้า มันจะออกมาให้เราเห็นว่าจะถึงเป็นอย่างนี้มาให้เราเห็นว่าทําไมถึงเป็นมันจะออกมาเลยนี้ทําไมเราถึงได้ยิน ก็บอกว่าเราไปทําเป็นลักษณะนี้ไว้เราก็ๆพอมีแล้วแต่ๆ แต่ทางหลักน่ะเขารับรองอ่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติการในแต่บุคคลเนี่ยเป็นอีกเรื่องถอดขณะผลได้อย่างเช่นกายวิญญาณเกิดจักขุวิญญาณ น่ะหมายถึงหน่วยรวมคือมั้ยไอ้จะพูดว่าหน่วยเดี๋ยวเวลาที่เราเกิดความคิดหรือเกิดจิตอะไรขึ้นมา อปรากฏการณ์ของการรับรู้ก็หมายถึงทั้งรูป แต่ละคนจะไปเห็นวิปัสสนาอ่ะเห็นพระไตรลักษณ์ออกมาเป็นหน่วยเป็นตัวเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้ว่าเอาผลมาดูผลตัว ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจตามนี้นะในชั้นความคิดในชั้นหลักการในชั้นการสังเกต มันไม่ได้เป็นเป็นฝืนเป็นก้อนเป็นแท่งความสําเร็จก็เป็นได้หน่วยความล้มเหลวก็นะทีนี้ แต่ชัดฐียิ่งขึ้นมันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นถ้าหากว่า เห็นได้อย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงได้อย่างนี้ทําความรู้สึกได้อย่างนี้ให้ความตีกรอบความสนใจให้เป็นส่วนแล้วมันได้ประโยชน์อย่างไรหรือมันเสียประโยชน์อะไร สติปัญญาเป็นประโยชน์แก่ความเพียรเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติมากเพราะว่าในการอาเช่นว่าเป็นประโยชน์ ไม่เห็นว่าเราจะต้องทําอะไรไม่ได้จิตสมุทุเราคิดเป็นก้อนเป็นแท่งเนี่ยมันเยอะเหลือ รายที่ว่าเป็นก้อนเป็นแท่งมันไม่มีอะไรสําเร็จรูปเป็นแท่งมาทั้งแท่งเนี่ยเราได้เลือกทําทีแล้วก็สําเร็จทีละแท่ง มันพุทธอังคณาแรกยันหน้าสุดท้าย 300 หน้าไม่มีห่อเลยไม่มีย่อหน้าเลยอ่านแล้วๆแค่มันก็เป็น กะมันว่าอ๋อมันเลยไปแล้วพลเกลาะไปแล้วนี่แล้วก็วากันอยู่หน่อยว่าพลเกลาะไปนี่ใครเครื่องมีก่อนทุกโอ้เดี๋ยวกับพลเกลาะ ตกัดนี่เรียกว่าทุกข์ตกัดตึกตกัดไอ้ก้อนแห่งของความทุกข์เนี่ยมันออกมาเป็น มันก็มีอย่างเนี้ยทุกคนอินทรีย์การสื่อต่อมากน้อยแค่ไหนอย่างได้ ของคินนี้มาได้รถคันนี้มาได้คนๆนี้มาได้ตําแหน่งนี้มาตั้งกระวันรับตําแหน่งไปจน เป็นทุกข์เล็กน้อยเช่นเค้าพูดผิดเล็กน้อยนะฮะแสดงออกด้วยอนิจจรูปเล็กน้อยเราก็รู้สึก เหตุผลในทางการเห็นในทางปฏิบัติจริงๆเอ้ยชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นหน่วยๆสลับกันระหว่างหน่วย เรเราก็เลยเห็นไปก่อนตั้งแต่ว่าถ้าเราสมมุติอย่างนี้แล้วมันแล้ว และในที่ๆครับเกิดๆคือเกิดระบบภูมิต้านภูมิต้านทุกภูมิต้านทุกอันนี้ แต่ว่ามันมีความสุขมากนะฟังไอ้ความสุขมันมีมากเป็นกําไรแต่ สุขเราก็ผลได้สุขเราถ้าสมมุติว่าเราเอาไม่ถึงเป็นโมมนะเป็นๆแล้วไปจับ มุมมืดกับมุมสว่างโลกบุญกับโลกบาปในชีวิตเราบางไอ้เรานั่งว่ามีบางทีมของนะไอ้บางวัน จนหมายตั้งจะบ่าหาตู้ไม่เจอสักตู้จะโทรศัพท์ๆเรื่องโดนจะทุกเรื่องมันพลาดผิดพลาดซากเถื่อน ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหนึ่งก็เป็นอย่างนี้วันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เดือนหนึ่ง เอ่อไอ้น่ามัวสนุกเออลวงหลอกเราดีผมว่าครับทีเนี้ยมันเหมือนปลุกผลบาปผลบุญมันหลอกให้เราเกิดความสุขความทุกข์แล้วหลอกให้เราติดเอ วันที่ 12 ธันวาคม 2536 เป็นการ